ความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและผู้ที่จะรู้รือจะสอนความรู้อันนี้ได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จเจด็ดดับขันธ์ปารณิพานไปแล้วแต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังศึกษาได้อยู่ยังฟังได้อยู่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 ธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่แล้อยู่ปราศจากศาสดาตราบใดที่มีธรรมวินัยคือธรรมสอนคสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวขาโตภะวตาธรมโมคําสอนนี้เป็นคําสอนที่เรียกว่าอมตะ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 ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเวลาใจสงบตัด จ, จากความคิดความอยากตา่างๆใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอการที่เราจะทำใจของเราให้อิ่มให้สุขให้พอได้เราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามา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 ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหาความสุขผ่านทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอ น, นิจจังเราไม่เห็นตรงนี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหามาใหม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอไม่สามารถที่จะเติมได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา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 ด้วยการสละพระราชสมบัติแล้วก็ออกบวชบาเพ็ญเป็นนักบวชอยู่แบบนักบวชรักษาศีลอย่างเต็มร้อยแล้วก็มีเวลาบาเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มร้อยสมถภาวนาในเบื้องต้นตามด้วยวิปัสสนาภาวนาพอได้ปฏิบัติเต็มร้อยความสุข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 ท่านทำทานเต็มร้อยกันทุกรูกท่านมีมากมีน้อยท่านจะละท่านไม่เอาท่านจะเอาเวลาไปบวชไปรักษาศีลไปภาวนากันแล้วท่านก็ได้ความสุขเต็มร้อยได้ปรามังสุขขังกันเวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุถ้าเป็น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 เป็นความสุขที่ไม่เจริญไม่เสื่อมมีอยู่เต็มที่อยู่ตลอดเวลาพอได้เจริญอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีวันเสื่อมหมดไปเมื่อถึงจุดนั้นแนละ้จิตของท่านก็จะไม่มีการกลับมาเกิดในวะะัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพนะตายภพก็คือกามาพบรูปภพและอรูปภพ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 ให้ภาวณาให้เต็มร้อยถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นผลก็ยังไม่เต็มร้อยอาจจะได้ขั้นของพระโสดาบันหรือขั้นของพระส ก, กิดาคามีขั้นของพระอนาคามีแต่ถ้ายังไม่เต็มร้อยนี้ก็ยังจะไม่ได้ผลของพระอระหันต์นั้นทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา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 เรื่องของการมาศึกษามาปฏิบัติทมของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพียรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลที่เลิศที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาลานตสาวกทั้งหลายได้รับที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาขละเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุจังกะปาจันโทปนาร布拉โสยะถา มณีโชติระโสยถาสภิฏโยวิวาจันตุสัพพโรโควเนัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีขาโยกภวะภิวาธนสีริตษะนิจังวุทฒาปจายโนจตารโอธรรมวัานติอายุวันโอสุขัง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 แล้วมันก็ไม่อิ่มที่มันหิวส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้หิวที่ที่ร่างกายมันหิวที่ใจเดังนั้นการที่เราอดอาหารนี้เพื่อที่จะให้เรามาภาวนามาให้อาหารกับใจถ้าเราทำใจให้สงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปความหิวส่วนใหญ่นี้เกิดที่ใจใจเราไปคิดถึงอาหาร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 บอกให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธมันก็จะทำตามมันไม่ดือ้อเหมือนกับเวลาที่มันกินกินเป็นปกติเวลาอิ่มแล้วมันจะไม่ฟังใครแล้วมันจะหาหมอนอย่างเดียวจะจะบอกให้มันเดินจงคมมันก็ไม่เอาให้พุทธโธมันก็ไม่พูดนะมันจะเอาหมอนอย่างเดียวนี่ก็คือ เรื่องของการอดอาหารแต่อยอดอาหารโดยไม่ไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธิเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงอดพกายอาหารอยู่สี่สิบเก้าวันก็คิดว่าเป็นการฆ่าปัญหากิเลสให้หมดไปจากใจด้วยการอดทกายอาหารแต่กิเลสตัญหามันไม่ได้ตายไปด้วยการอดเฉยๆมันต้องมีมาตรการคือมีปัญญาต้องเห็นใจรักเห็นเห็นความ เห็นเห็นว่าสิ่งที่อยากได้ให้มันวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถให้ความสุขความอิ่มใจที่ถาวรได้จะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอดัองนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องหยุดการอดอาหารพอเห็นว่าถ้าหยุดต่อไปร่างกายก็จะต้องตายแน่ๆ แ, แต่กิเลสตัณหาไม่ได้ตายตามไปกับร่างกายจึงทรงกลับมาสวยพระกยาหาร เพื่อที่จะให้ร่างกายมีกำลังวางชาที่จะได้มาเจริญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาช่วงที่ทรงอดปกายาหารนี้คิดว่าทรงมีสมถภาวนาคือสามารถทําใจให้สงบได้เพราะไม่งั้นจะไม่มีกำลังที่จะอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันแต่สมถภาวนานี้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 สมถภาวนาไม่มีใครรู้เรื่องของวิปัสสนาภาวนาว่าทําอย่างไร <c oughs> ไม่มีใครรู้เรื่องไตรลักณ์ที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาทําลายกิเลสตัณหาไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้แบบเป็นงานของพระพุทธเจ้าล้วนๆพระพุทธเจ้าต้องศึกษาค้นคว้าภายในจิตในใจของพระ อ, องค์เอง จนเห็นชัดเจนว่าทุกนี้เกิดจากความอยากและทุกข์ดับได้ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาที่เห็นใจรลักณนี้เอพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสรู้ได้ทําลายความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจจนหมดไปได้ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องอดอาหารมีมีพลังจิตที่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ไม่มีอุปสรรค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 แล้วเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันอาเจียนออกมาหรือมันถามันถ่ายออกมาทางทวารหนักแล้วพวกนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้นมันมาจากอาหารที่สวยงามในจานที่อุตสาหปดิษปปะยาอย่างดีอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เวลาที่เราอดอาหารนี้เราจะไม่หิวกับอาหารอีกต่อไปเราจะไม่มีปัญหาเราจะใช้มาตรการของการอดอาหารนี้ได้ไปตลอดเป็นการเสริมความเพียรของเรา เราเวลาถ้าเรายัางยังยังตัดอาหารไม่ได้เรายัางต้องรับประทานอาหารเราก็ต้องใช้มาตรการแ ก, ก้กิเลสก็คือเราต้องเอาอาหารทั้งหมดที่เราจะรับประทานเข้าไปในท้องนี้มาเทใส่ในภาชนะเดียวกันทั้งของข้าวของหวานของเค็มของเปรี้ยวของอะไรใส่อะไรที่จะเข้าไปอยู่ในท้องนี้เอามารวมกันในภาชนะ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 ไม่มีกำลังใจอยากจะภาวนาอยากจะปฏิบัติอยากจะกลับบ้านอย่างเดียว <laughs> คำถามต่อไปจากคุณชนละดาอินเที่ยงพอดีประสบสภาวะแปลกแปลกไม่เคยเป็นมาก่อนคือจิตจากที่มีความสุขอยู่ดีๆมันพลิกเป็นทุกข์สาหัสมากมันสลดสังเวชกับโลกกับตัวเอง เห็นทุกอย่างมันเป็นกองทุกมหาศาลแบบเป็นมีที่ให้อยั่งเท้าเลยเห็นคนในโลกเหมือนเป็นคนบ้าตัวเราเองด้วยจิตมันเป็นกลางไม่ไหวค่ะสากแต่ว่ารู้เอาไม่อยู่ขอคาแนะนาด้วยค่ะแม้แต่ครอบครัวที่เราลักมากยังเห็นเป็นส่วนเกินทั้งหมดจิตมันเลยมีความทุกติดมาตลอด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 แวควาาามทุกกต่งๆ็จะหยไาถามต่อไปจากคุณเดวิดทอมสันน้ำโอเลี้ยงจัดเป็นน้าปานะหรือเปล่าครับคือน้ำปานะตามความหมายเดิมนั้นหมายถึงน้ำผลไม้ที่เราคั้นออกมาจากผลไม้ต่างๆผลไม้ที่จะเอามาทำเป็นน้ำปานะได้นี่ต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้น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 แม้แต่หลวงตาถ้าจะบวชออกมาจากบวชจะศึกแกก็ไม่ว่าเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การกระทาของเราอยู่ที่กิเลสตัณหาโมหะของเขาดังหาหมดคำถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อ <c oughs> มีใครอยากจะถามไหมเข้ามาได้นะไม่ต้องเกรงใจกิเลสกับเรามันคนเดียวกันัหยคะพระอาจารย์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 จึงไม่มีไม่มีความไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดีใจเสียใจได้ก็เท่าเดิมเสียก็เท่าเดิมเหมือนคนอื่นเขาได้สมบัติเขาก็ได้เราไม่ได้เราก็เพียงแต่รู้เฉยๆว่าเขาได้เวลาเขาสูญเสียสมบัติไปเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปเราก็รู้ว่าเขาเสียไปเท่านั้นเองนั่นแหะคือมองร่างกายของเราให้เราเหมือนกับมองคนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่หลงดีอกดีใจเสียอกเสียใจดีใจก็เป็นทุกอย่าง เพรดีใจแล้วก็อยากจะให้ดีใจเรื่อยๆพอไม่ดีใจเรื่อยๆก็ทุกข์แล้วแล้วพอเสียใจก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เนี่ยนันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงตัวรู้เราไปยืนอยู่ที่ตัวหลง ย, ยืนอยู่ที่ตัวตนที่ถูกอวิชชาโมหะผลิตขึ้นมาว่านี่คือเราของเราเป็นเรานี่แหละที่เราต้องใช้อนาตตาไงว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่เป็นของเราะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของดินน้ำลมไฟใจเป็นตัวรู้ทัานั้นเป็นธาตุรู้ใจต้องแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการภาวนาต้องสงบต้องรวมลงถึงจะเห็นตัวรู้ตัวนี้ถ้าจะสามารถยืนยืนอยู่กับตัวรู้ได้เพราะว่าจุดเป็นจุดยืนที่มีความสุขมากที่สุดนั่นเองถ้าเราสักแต่ว่ารู้ได้นี่เราจะมีความสุขมากไม่วุ่นวาย ใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจแต่ถ้าเราไปยืนอยู่บนตัวตนนี่เวลาใครด่าเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาใครชมก็ตัวลอยขึ้นไปดังนั้นขอให้ภาวนาให้เข้าถึงตัวนี้ให้ได้แล้วจะหายสงสัยขอบคุณค่ะเมย์กาอยากจะถามอะไรอีกไหมโอกาสกรับหลวงพ่อ ขอความรู้ในเรื่องของจิตถ้ารู้กับตัววิญญาณนี่มั น, มนรับบนจะแตกต่างกั น, นยังไงครับพญานะคือคําว่าวิญญาณนี่มันมีสองความหมายวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้านี้ก็คือตัวที่รับรู้ข้อมูลที่ผ่านมาทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นเวลาตาเห็นรูปก็จะวิญญาณก็จะออกไปรับรู้รูปแล้วส่งไปให้ที่ใจ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 เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานของขันสีนามขันห้าก็ได้ขันห้าก็คือตาตานี้เป็นรูปส่วนของรูปตารับรูปรับรูปเข้ามาแล้วก็สัญญาก็ไปรับรูปนั้นมาสู่ที่ใจส่งมาให้ที่สัญญาสังขารปรุงแต่งผลิตเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดตันหาขึ้นมาต่อไปส่วนวิญญาณอีกอย่างที่เราใช้ก็คือเวลาคนตายไปแล้ว จิตที่ออกจากร่างกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณอันนี้เป็นจิตทั้งดวงจิตที่บีทั้งรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นด้วยแต่เราเรียกจิตของคนของคนที่ตายไปแล้วว่าวิญญาณวิญญาณได้ไปสู่สุคติแล้วเนี่ยมาพูดมันคือความหมายก็คือจิตเนี่ยได้ได้ไปอยู่สุคติแล้วไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วไปนิพพานแล้ว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 เวลาคนเราร่างกายเราตายไปนี้ตายไปส่วนเดียวขันศีลไม่ได้ตายไปด้วยตายแต่รูปประขันนะรูปประขันนี้ก็สลายกลายเป็นดินน้ำลงไฟไปส่วนขันศีลก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ขันศีลนี้ก็คือพวกเทวดาที่เขาใช้ขันศีลนี้ผลิตสวรรค์ขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับนะเวลานอนหลับร่างกายเราก็เหมือนตายไปไม่ได้ทํางานแต่ใจของเรายังฝันได้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 เพ น, นพเจ้าจึงบอกว่าให้ทําดีให้คิดดีพูดดีให้มีความเมตตาและเวลานอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายเ yeah. ป็นกาถามที่ปทํางานของขันของนามาขัน <c oughs> โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเ yeah. มื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าสมาธิที่เข้าไปถึงจุดที่ที่ไปถึงเอกาตานี่ยอ อ, อยากเรียนถามว่าถ้าถ้าเรายังไม่ถึงในจุดนั้นที่เหมือนกับวาอุเบคาได้อะไรอย่างเนี้ย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 ดาเนินตามเช่นวันหนึ่งจะจะทำอะไรบ้างก็ต้องทำตามให้ได้เช่นเราจะไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงอย่างเงี้ยไม่เดิมสูราไม่สูบบุหรี่เราก็ต้องใช้ใช้ใช้กำลังขันติขมไปก่อนจนกว่าเราจะภาวนารอบได้ความสุขภายในใจแล้วมันก็จะเลิกไปเองไม่ต้องขม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 พอรักษาศีลได้มันก็ตัดกิเลสตัณหาไปได้อีกระดับหนึ่งทำให้ไปภาวนาได้ง่ายขึ้ น, นก็ลองทาตามขั้นไปขอบพระคุณครับผมเกตว่าไม่มีใครอยากจะถามอีกแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิรพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ